เป็นเรื่องที่คุณออมบอกว่าไม่ได้แต่งขึ้นนะคะซึ่งเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองจริงๆสาบศสาบานที่ไหนก็ได้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวเองร้อยเปอร์เซ็นเลยแล้วก็เป็นการเห็นผีครั้งแรกในชีวิตที่แบบเห็นจังๆจัๆจะๆเป็นตัวเป็นตน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 ภาพตรงหน้าคือเล้าไก่ร้างๆผูผูพังๆที่ข้างล่างเนี่ยเป็นบ่อปลาคุณรู้ฟังบี B. บอกว่าแค่เดินไปอีกไม่กี่ก้าวก็จะทะลุตกลงไปในบ่อปลาร้างๆนั้นแล้วนะคะซึ่งตอนนั้นนี่บีตกใจมากทั้งกลัวทั้งอะไรทุกอย่างเขาตะโกนเรียกหาไวรุ่นคนนั้นอยู่พักหนึ่งแต่ว่าวัยรุ่นคนนั้นเนี่ยเดินนาไปแล้ว